บุ๊กทูสามสิบสี่บนรถไฟนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับเยตัววลาคุเบอร์ลรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับคิดดีพักลขอโทษครับผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับปรปัเจมัริผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับม y ส l ิม e to je โตเยมั e เจม s สโ ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับม i สลิมจ๊ะเซดิทีนามอยอมมีเอสเตต์ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟลูอ์ชกอวีวอเซนย์เยนักคนสิวลาคและรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับขบวนหน้าครับ A kde ผมขอนอนข้างล่างไดไหมครับผมขอนอนตรงกลางไดไหมครับผมขอนอนข้างบนไดไหมครับ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่คิดดูจะไมนาหรานิสิไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครั บ, ร, ร, บรถไฟจะเข้าช้าไหมครับคุณ ม, มีอะไรอ่านไหมครับ